เวลาเราจะทําบุญให้แก่ผู้ตายเรานินยมที่จะเอาอัฐิเหล่าเนี้มาให้พระสงฆ์สดับประกรบางสกลุลแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลเหล่านี้ให้แก่ผู้ตายคําว่าสดับประกรณ์บางสกุลนั้นก็คือเอาอัฐิอันนี้มาให้พระสงฆ์ท่านเจริญกรรมฐานมันเองเรียกว่ากรงกรรมฐานเพราะคําคสดับประกรบางสกุลที่พระท่านใช้นั้นเป็นคําที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐาน เป็นการพิจารณาถึงรูปนามเป็นอารมณ์เช่นพอพระสงฆ์ท่านอมูอจับได้สายศิลที่โยงมาจากอภิษฐ์เราจะได้ยินคำว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมนิโนอุปชิตวานิรุษชันติเตสังหูปสมโมสุขโขเนี่ยพระสงฆ์ท่านใช้ศัพท์เนี่ยบางสุขุลซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ยปแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอ เมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมจะเสื่อมไปเป็นธรรมดาการเข้าไปสงบระงับในสังขารทั้งหลายเหล่านี้เสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งในตะแปรเป็นภาษาไทยแล้วก็ได้ใจความอย่างนี้เป็นการให้พระสงฆ์เนี่ยไปพิจารณาถึงสังขารคือรูปนามว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเสื่อมสิ้นไปเป็นของธรรมดาประหมายความว่าเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามสมมุติกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้ว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 คำว่าสงบประนับในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเข้าไปตายไม่ใช่หมายถึงว่าการตายจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งแต่หมายถึงว่ารูปนามหรือขันหานี้ไม่เกิดหรือได้เป็นสุขอย่างยิ่งก็คือการทําพระตางสงฆ์นี้ให้สิ้นสุดลงด้วยการเข้าถึงขึ้นพระนิพพานคาตได้อันนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราได้พิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นอารมณ์ของกรรถามเนี่ยได้ชัดเจนขึ้น แต่ปัจจุบันนี้เท่าที่เราได้จเจริญกรรมาฐานกันเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นศพแล้วก็เห็นได้ยากจริงๆเราจะเห็นกันก็ครั้งเดียวเท่านั้นก่อนที่จะเอาศบใส่โลงคือตอนที่เรารดน้ําศพเวลารดน้ําศพศพก็ยังไม่น่าเกลียดอะไรถึงแม้ศพมั่นจะน่าเกลียดเราก็พยายามปกปิดความน่าเกลียดถ้าหากว่าผู้นั้นตายลงด้วยโรคปัจจุบันทันดวนอย่างหัวใจวายอย่างนี้ เราถ้อาจจะตกแต่งเสร็จให้สวยงามได้ไม่เห็นว่าจะน่าเกลียดหรือเป็นอารมณ์อสุภาพที่ตรงไหนมองไปก็เหมือนกับคนนอนหลับแต่ถ้าหากว่าเกิดตายที่น่าเกลียดขึ้นมาแล้วก็คลุมร่างจปนมิดหมดจะโผร่มาก็เป็นมือที่สำหรับให้เราหมั่นน้ำลดลงไปทํานั้นเองซึ่งก็มีลักษณะงายและการกระทาเช่นนั้นจะเกิดประโยชน์อย่างไร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 ท่านทั้งหลายจะสังเกตดูได้เวลาเราไปรดน้ำตกจะเป็นตกใครก็ตามตกนั่นจะอยู่ในลักษณะที่หนายมือให้เราเหี่ดหลั่งน้ำลงไปยังน้อยก่อนที่เราจะหลั่งน้ำลดลงไปในฝ่ามือนั่นเราก็ควรจะคิดเดียก่อนควรจะคิดว่าคนตายเนี่ยเขาได้แบมือให้เราดูว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วเขาเอาอะไรไปไม่ได้เลย ในมือนี้มีแต่มือปล่าไม่มีอะไรติดไปเลยแต่ว่าเวลาเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องประกอบอักุศลมากมายหลายอย่างเพื่อแสวงหาสมบัติในโลกนี้เข้าใจว่าสมบัติทั้งหมดในโลกเนี่ยเป็นของเราไม่ได้คิดเลยว่านี่มันเป็นสมบัติของโลกประจำโลกเรามาแต่เพียงตั ว, ตวเปล่าและเราก็จะไปตั ว, ตวเปล่าเอาอะไรไปไม่ได้ คนตาจะแบมือให้เห็นว่าเนี่กถึงแม้ฉันจะมีเงินสักกี่ร้อยล้านก็ตามฉันก็ออกไปไม่ได้จะมีสมบัติมากมายแค่ไหนก็ตามไม่มีอะไรติดมือไปแม้แต่ตางแดงเดียวถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะบรรเทาความโลภลงได้ทั้งมากมายบรรเทาความโกรธความหลงความริษยาพยาบา ท, ทาต่างๆที่เป็นเรื่องอุปสงทั้งหลายแหละที่กําลังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี่ได้มาก ว่าที่เราเกิดมากันชาติหนึ่งแล้วเราจะตายจากโลกนี้ไปชาติหนึ่งนั้นเราไม่ได้สมบัติอะไรแต่จริงๆนอกจากจะได้บุญกุศลหรือบาปที่เราประกอบกันไล่เท่านั้นอย่างเองเนี่ยมันเป็นของประจําโลกสมบัติทั้งหลายเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเราถ้าเราคิดเลยว่าสมบัติทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นของโลกเท่านั้นเราก็จะเป็นคนฉลาดใช้สมบัติ จะเป็นผู้รู้จักใช้สมบัติว่าทําอย่างไรสมบัติของโลกจึงจะเป็นของเราเราต้องรู้จักวิธีใช้เหมือนกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนา ไ, ไว้ว่าสมบัติทั้งหลายที่เป็นของประจําโลกนี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักใช้แล้วเราก็จะเอาไปไม่ได้เป็นอุปมาว่าเหมือนกับเทิงที่ไหม้บ้านเรา สมบัติอะไรที่เราออกมาจากกองเพลิงได้สมบัติอันนั้นมันก็เป็นของเราถ้าเอาออกมาจากกองเพลิงไม่ได้สมบัติเหล่านั้นก็ถูกเผาไปจนหมดเราจะเอาสมบัติของโลกนี้ไปได้อย่างไรก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญบุญคือการเสียสละออกไปทําประโยชน์เมื่อเราเสียสละออกไปทําประโยชน์สร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นไว้และสิ่งที่เราสร้างนั้นก็เป็นประโยชน์แก่มหาชน แตโลกเนี่ยอย่างมหาศาลเราก็ได้กุศลมากถ้าหากว่าเรารู้จักใช้สมบัติอย่างนี้รู้จักเสียสละอย่างนี้เราก็จะได้สมบัติเหล่านี้ไปอันนี้ก็เป็นอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งที่บรรเทากิเลสให้แกเราได้ส่วนที่เราจะใช้ศพของคนตายให้เป็นอารมณ์กรรมฐานจริงๆนั้นเราจะต้องอาศัยศพนั้นเป็นอารมณ์เป็นนิมิตถ้าหากว่าศพนั้นอยู่ในลักษณะที่เขียว เราก็กำหนดเอาความเขียวของศพเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ได้แต่ว่าผู้ที่ไม่เข้าใจนั้นก็มักจะกลัวอย่างเราไปเผาศพในชมบทบ้านนอก เ, นเขาถือว่าเมื่อเราไปเผาศพแล้วกลับมาบ้านจะต้องมาล้างหน้าล้างตาให้สะอาดจึงจะเข้าบ้านถ้าไม่ล้างหน้าล้างตาให้สะอาดก่อน ก็จะทำให้นิมิตคือซากศพเนี่ยติดตาเพราะการเผาศพตามบ้านนอกสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนกับในกรุงเผาเป็นกลางแจ้งเอากองปืนเนี่ยมากองกันขึ้นเป็นเชิงตะกอนแล้วก็เอาลงศพตั้งไว้บนกองปืนจากนั้นก็จุดเผาเป็นกลางแจ้งถาศพอันไหนไม่ค่อยจะแห้งบางทีก็เผาไม่ไหม้เนื้อก็จะหลุดออกมาเป็นชิ้น สัปเหร่ก็จะพยายามคุย้ยเคี้ยวพยายามเร่งไไฟเพื่อเผาศพเหล่านั้นทราบศพเหล่านี้อาจจะติดตาผู้ที่ไปเผาศพได้และก็ทําให้ผู้นั้นเกิดความไม่สบายใจเพราะว่าขาโดโยนิโสมนสิการในสิ่งที่ตนเองเห็นความจริงการได้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ติดตานั้นเป็นประโยชน์จริงๆถ้าพระสงฆ์ได้เห็นทราบศพเหล่านี้ติดตาเหมือนกับได้รัตนาอันวิเศษมาเป็นสมบัติของตน เหมือนกับได้สิ่งที่ประเสริฐดีกว่ามทัพสมบทมากมายเพราะว่าสิ่งนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งของตนให้พ้นจากวัฏสงสารได้เห็นตพ ก, ก็เหมือนกับเห็นสมบัติใครมาบอกก็มีซากศพตายที่โคนต้นไม้อยู่ทางโน้นทางนี้พระที่ท่านใล่ใจในการเจริญอสุภาพธรรมทานเนี่ยท่านจะดีใจเหลือเกินว่าแหมเนี่ยมีบุรุษมาบอกเลาาให้แก่เราแล้ว เราจะต้องไปสแสวงหาลาภอันนัง<ม>ก็คือจะต้องเดินทางไปเจริญอสุภาษกรรมฐ า, านนียให้ได้เพื่อที่จะเอามาเป็นอารมณ์แล้วก็ยกตนท่านให้พ้นจากวัฏฏ ส, สงสารทำลายกิเลสต่างๆนี้ให้สิ้นสุดลงเนี่ยพระสงฆ์กันเห็นว่าเป็นของประเสริฐแต่ว่าครว่าเห็นว่าเป็นของที่น่ากเกลียดน่ากลัวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะไปดูคนตายแล้วเราก็ไม่กล้า เพราะกลับมากลัวว่าปรักตาแล้วก็จะเห็นซากศพเหล่านั้นทุกวี่ทุกวันก็จะทําให้เราเนี่ยนอนไม่หลับเกิดความหวาดกลัวความจริงถ้าหากว่าเราได้เห็นภาพศพเหล่านี้เป็นอารมณ์อยู่เสมอแล้วเรารู้จักใช้รู้จักกําหนดก็จะเป็นประโยชน์ในการเจริญอสุภะกรรมฐานมากทีเดียวเออฉะนั้นเรื่องการเจรินอสุภะกรรมฐานนี้ในชนบทกับในกรุงเทพจึงต่างกัน และถ้าหากว่าเราจะเจริญอสุภะกรรมฐานกันจริงๆก็ต้องไปในชนบทในกรุงเทพนี่หาที่เจริญอสุภากรรมฐานได้ยากในชนบทนั่นที่เราจะหาเพ่งได้ก็บางวัดที่มีมีสถานที่เก็บศพที่เรียกว่าโกดังโกดังเก็บศพศพคนตายจะเก็บไว้ในโกดัง ไม้ก่อนก็จะสร้างเป็นโรงไม้แล้วก็ไปเก็บไว้นในโรงเนี่ส่วนซ้อนเหมือนขึ้นเป็นในปัจจุบันนี้ก็นิยมทําเป็นอคอนกรีตทําเป็นซองทําเป็นซองและเก่เาสดเนี่ยใส่เข้าไปในซองคอนกรีตนั้นแล้วก็ปิดให้ไิดชิดกลิ่นก็ไม่ระเหยออกมาถ้าเป็นกระดังในสมัยก่อนแล้วกลิ่งก็รบกวนชาวบ้านเหมือนกันถ้าเราเข้าไปเพ่งหสุภาพากรมฐานันถ้าก็ไปนในกระดังแล้วก็ไม่สะดวกอีกเพราะว่าอากาศไม่ค่อยจะดีอบอ้าว อาตมาเคไปเพ่งกับเขาครั้งหนึ่งเสร็จแล้วคอเนี่ยเจ็บหมดเพราะว่ากลิ่นของซากศกไม่ไหวเจ็บคอผลสุดท้ายก็เลยต้องเลิกไม่ได้เรื่องเวลาอะไรเพราะวัติคนประกลิ่นเหม็นของศพไม่ไหวเพราะว่าปฏิบัติไม่ถูกวิธีของท่านการจเจริญรุ่งค้าโดยทนันมีวิธีถ้าทําไม่ถูกวิธีแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีหน้ำาำจะเกิดโทษไปด้วย เราผไปปฏิบตัต t นั้นไม่ไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องจะนั้นขั้นจึงวางกฎเกณฑ์ไว้ว่าคนระบบผู้ที่จะเจริญอรสุภาพกรรมฐานจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั่นเนี่ยอย่างเคร่งครัดเช่นตอนที่เราจะไปเจริญอรสุภาพกรรมฐานจะต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าวิธีเจริญอรสุภาพกรรมฐานนี่มีวิธีปฏิบัติอย่างไร เพราะถ้าหากว่าเราไม่ทราบวิธีอันนี้ก็จะเกิดโทษแก่ผู้ที่ปฏิบัติอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานในอสุภาษกรรมฐานจะต้องอธิบายให้เข้าใจโดยละเอียดละ อ, อ่และจะต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดควบคุมผู้ที่จะปฏิบัติเนี่ยอย่างใกล้ชิดทีเดียวว่าเราจะให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอย่างไรเพราะว่าอสุภาษกรรมฐานนี่เป็นสตายะแก่บุคคลผู้ มีราคะจริตราคะจริตหรือโลภจริตเหมาะอย่างยิ่งที่จะต้องเจริญกรรมฐานประเภทนี้เพราะว่าอารมณ์ของกรรมฐานนั้นเป็นปฏิบัติต่อจริตของตนถ้าหากว่าเจริญกรรมฐานประเภทนี้แล้วก็จะทําให้สมเหตุผลเร็วขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องบรรเทา ร, ราคะเป็นเครื่องบรรเทาโลภะต่างๆเนี่ยให้ลดน้อยถอยลงได้โดยอาศัยอารมณ์ของกรรมฐานประเภทนี้เฉะนั้น ก่อนที่จะปฏิบัตินั้นจะต้องทราบถึงวิธีการไปกอ่อนวิธีการนี้ทัทโบนตั้งแต่วิธีที่เราจะไปคาว่าวิธีที่เราจะไปหมายถึงว่าวิธีที่เราจะไ ป, ไ จ, ะไปจะเรียนอสุภกรรมฐานหรือวิธีที่เราจะไปเพื่อไปเพ่งอสุภะกรรมฐานต้องมีวิธีการวร่าจะไปกันยังไง ก่อนจะไปเนี่ยต้องมีวิธีการก่อน mm hmm. เช่นถ้าสมมติว่ามีใครคนหนึ่งมาแจ้งข่าวให้กับเราว่า mm hmm. เวลานี้มีซาบกต mm hmm. ตายอยู่ในที่แห่งหนึ่งหรือในตระช่าแห่งหนึ่งศาบกตนั้นกำลังเน่าพองคงจะทิ้งื่อหลายวันแล้ว mm hmm. ผู้ที่จะเรียกจิตภาคกรรมาถามต้องคอยนะต้องคอยว่าจะมีกรรมฐานอันนี้มาให้เมื่อไรเ mm hmm. มื่อได้ทราบข่าวอย่างนี้ ท่านสอนว่าอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งดีใจแล้วก็บูมบามรีบไปที่จ้าบศพนั้นทันทีไม่ได้จะต้องตระหนักถึงวิธีไปเนี่ยให้ละเอียดถี่ถ้วนไปก่อนต้องคิดให้รอบคอบไปก่อนแล้วจึงจะเดินทางไปไม่ใช่พอมีคนมาแจ้งตับก็จะไปทันทีไม่ใช่อย่างนั้นต้องพยายามตระหนักถึงวิธีการไปว่า เราจะไปอย่างไรกันดีท่านบอกว่าการที่จะจะเดินทางไปจรเินอจากคุถากกรรมฐ า, านเนี่ยก่อนที่เราจะไปนั้นทิสุจะต้องจะต้องแจ้งให้แกพระเถระเนี่ยได้ทราบทสก่อนวิธีที่จะไปเพื่อจะต้องแจ้งให้พระเถระได้ทราบเสก่อนนันนับเพื่ออะไร ก็เพื่อที่ว่าพระเถระทั้งหลายเนี่ยท่านจะได้รู้ต้องให้พระเถระท่านได้ทราบแล้วก็ท่านได้รู้ว่าเอาละเราเนี่ยจะเดินทางไปจเจริญสุภาษกรรมฐานต้องประชุมพระสงฆ์ทั้งหมดที่อยู่ในวัดแล้วก็บอกว่าผมจะไปจะเจริญสุภาษกรรมฐานที่ตรงนั้นตรงนี้นะให้พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยเข้าใจซะก่อน แล้วจึงออกเดินทางที่จะบอกว่าทําไมจึงต้องแก้ก็เพราะว่าเวลาเราไปสู่ทซาบศกนี้ทซาบตกเนี้ไม่ใช่อยู่อย่างโดดเดี่ยวศก ท, ที่อยู่ในป่าช้าอาจจะเป็นศกที่มีปีศาจสิงอยู่อาจจะเป็นทซาบศพที่มีสัตว์รายมาคอยเศร้าที่จะกินเป็นอาหารอยู่ถ้าหากว่าเราบุ่มบ่ามไปก็อาจจะเกิดอันตรายได้แล้วก็ หรือที่สู่รูปใดที่ไปยโยที่มีจิต ใ, ใจไม่เข้มแข็งอาจจะต้องเกิดไปร้มงเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นในขณะที่ไปเท่งกรรมฐานอันนั้นก็ได้เพราะถ้าหากว่าจิต ใ, ใจไม่เข้มแข็งจริงๆไม่ได้สมรวมบินรียทั้งหอย่างมั่นคงจริงๆเดี๋ยวมีอะไรกรบแปลกขึ้นหรือมีปีศาจมันหลอกหลอนขึ้นมาก็จะเกิดสั้นเสียผลสุดท้ายจะต้องจับไข้หัวโกขนท่านจะบอกว่าจะได้พยาบาลกรรมฐาน ให้พระเนรท่านรู้ท่านรู้สมุดฐานว่าอ๋อนเนี่ยท่านเจ็บป่วยท่านไม่สบายต้องเอุณภาพสมบูรณอาจจะเป็นโรคเกดิดมาจา ก, กจิตแล้วก็รักษาได้ทันท่วงทีเนี่ยต้องบอกให้ทราบไวก่อนหรือมิฉะนั้นเวลาท่านไปแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายได้หลายอย่างถ้าหากเราพระเถระไม่รับรู้ท่านบอกว่าธรรมดาปราชาเนี่ยเป็นที่อาศัยเป็นที่ซ่อนเล่นของพวกมิจฉาชีพ โจรกะดูพวกรักเ ล, ล็กขโมยน้อยก็ดีเมื่อรักของได้รนมาได้มันก็จะไปซ่อนไว้ในป่าชา้าอาจจะมีของอะไรไปซ่อนอยู่ ใ, ใกล้ๆกับซากศพคนตายเสร็จแล้วพระสงฆ์ไปยืนเพ่งเอาที่พรรมาฐานอยู่เจ้าที่เกิดตามมาพบเข้าพบของกลางอยู่ใกล้กับพระสงฆ์เช่นนี้พระสงฆ์ก็จะต้องได้รับเคราะ์กรรมจะถูกกล่าวหาว่าดยงจะเป็นโจรผู้ร้าย รองเป็นพระไปต้นสะโดนเอาของต่างๆมาซ่อนไว้ในป่าชาผลสุดท้ายพระก็จะต้องถูกลงโทษตามตัวบินเมืองซึ่งอาจจะเป็นเหตุทําให้พระสง์องค์นั้นต้องเดือดร้อนไปถ้าหากว่ามีพระเถระรับทราบพระเถระก็จะได้ช่วยชี้แจงให้เจ้าที่ได้เขใจาว่าพระองค์เนี่ยลาอัตมาไปเจริญกรรมฐานเมื่อสักครู่นี้เองหรือไปเมื่อวันนั้นวันนี้ก็จะเป็นพยายมให้ได้ถ้าไปโดยไม่บอกใครแล้วเนี่ยใครๆก็ไม่รู้ผลสุดท้าย พวกกันเองก็จะสงสัยว่าแม่นอนองนี้องจะต้องไปเปรตนหรือไปเอาวัตถุร้ายต่างๆของคนใดคนหนึ่งมาก่อนไว้ในป่าช้าแน่และผ ส, สุดท้ายที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายเนี่ยเป็นอันตรายมากเหมือนอย่างในปัจจุบันเนี้ถ้าจะแกล้งแค่ทรงนี่แกล่งไม่ยากจะแกล่งว่าวัดนั้นเป็นคอมมิสต์อนั้นเป็นหัวหน้าคอมมิิสต์ใหญ่ ก็เอ า, เ อ, าเอาวุธร้ายเอาเอกสารไปยัดเยียดไปต้นกุติตำรวจไปค้นพบเดี๋ยวก็โดนแล้วแกล้งันง่ายเล้วเกินแต่ถ้าหากว่าพระรูปนั้นได้ชี้แจงให้พระผู้ใหญ่ไดยตัาใจเสก่อนว่าเราจะทำอะไรทำแล้วมีประโยชน์อย่างไรก็จะได้ช่วยกันแก้ไขได้เนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เนียท่านรอบครอบ ท่านเกรนภัยจะเกิดขึ้นแก่สาวกของท่านเหมือนกันท่านจึงต้องจักสอนโนดูรยละเอียดเพราะว่าเรื่องภัยเหล่านี้นะ่ะมีมานมานานแล้วตั้งสองพันกว่าปีมีโดยละเอียดถ้าหากว่าเราได้ศึกษาดูทฤษริยวัตรต่างๆเราจะพบว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ได้ประสบกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาก่อน แล้วก็ได้สาปันต่อตอุปสรรคเหล่าเนี้ผ่านพ้นมาได้หลายหลายดังเดิมเพราะในสมัยที่พระพุทธองค์ได้ประกาทพระพุทธศาสนาอยู่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่พระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวคนนั้นที่เผยแได้อยู่ในชนชีวีตาศาสนาที่มีอิทธิพนอย่างมากมายก็มีอยู่เช่นอย่างสาศาสนากลารงรวมทั้งเจ้ารับทีที่เป็นวิชาทุทธิก็มากมายหลายรับทิ เกิดขึ้นในสมัยนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นท่ามกลางลัทธิเหล่านี้แล้วเราจะคิดว่าพระพุทธองค์เนี่ยท่านจะประกาศพระพุทธศาสนาได้อย่างราบรื่นไม่ราบรื่นเลยแม้การจะประดิษฐานพุทศาสนาขึ้นในแดนมคดกระดงทรงพิจารณาอย่างรอบครอบว่าพุทธศาสนาที่ตั้งขึ้นในแดนมรดกเนี่ยจะสําเร็จอยู่ไม่ ทำไมจึงมาเลือกตั้งในแคว้นมักคตในฐานะที่พระองค์เองก็เคยเป็นปกษัตริย์น่าจะไปตั้งในกบิลพัทเสีก่อนแต่มาตั้งในแคว้นมัคตก่อนที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าดิเรงเห็นถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเพราะแคว้นมักคดนั้นมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นราชาแห่งแคว้นมักคตรพระเจ้าพิมพิสาร น, นั้นได้ทูลขอร้องต่อพระพุทธองค์ก่อนแล้วว่า ถ้าหาว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ก็สัมมาสัมโพธิญาณเลื่อใดขอพระองค์ได้โปรดปรเสด็จมาโปรดพระองค์ด้วยเดยตรงรับคําทูลเชิงของพระเจ้าพิมพิสารมาก่อนเห็นว่าพระเจ้าพินพิสารเป็นราชาแห่งแคว้นมกนักคตเพราะในสมัยนั้นเป็นสมัยราชาทิปไตทาย ร, ราชาสามารถที่จะบันดาลสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นได้ จึงได้เลือกมาปฏิษฐานในแกลนมคตแม้จะมีเจ้ารักคืมากมายที่จะริษยาพระพุทธองค์สุกเพียงใดก็ตามแต่ในเรื่องฝ่ายบ้านเมืองไม่ไปเป็นด้ามให้นักบวชเพื่อมาถ้ำหันฟังซึ่งกันและกันแล้วนักบวชก็จะมีแต่สงครามคารมเท่านั้นหรือสงครามที่เกิดขึ้นก็เป็นสงครามทางจิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่ยังมากกว่ากล่าวร้ายมินทาซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่ถึงกับจะต้องประหัดประหาร ให้เกิดความวุบนวายขึ้นใปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือว่าฝ่ายบ้านเมืองไม่เป็นมือให้แล้วพระเองก็ไม่มีฤทธิเ์เดชอะไรที่จะทําร้ายซึ่งกันและกันเหมือนในปัจจุบันเนี่ยพระทเลาะกันนะ่ะไม่เท่าไรหรอกขออย่างเดียวว่าชาวบ้านอย่าไปถือหางพระก็แล้วกันหรือชาวบ้านอย่าไปเป็นด้ามให้พระท่านว่าเอาละคุณไปจัดการกับพระองค์นี้ได้จะจัดการแบบใดแบบหนึ่งเอาคุณเอาเลยชาวบ้านก็ทําได้ พระจะมีอะไรไปสู้กับชาวบ้านมีแต่มือเ ป, ปล่าและยิ่งทเลาะกับพระด้วยแล้วยิ่งง่าใหญ่พพระท่านไม่สู้นี่ท่านเฉยจะด่าท่านเผ่นเกิดเฉยจะกล่าวร้ายท่านเกิดเฉ ย, ท, เเฉยท่านมีอะไรไปสู้ไม่มีอาวุธสู้ชาวบ้านคมเหงืได้ทําได้อย่างสบายแต่พระนั้นถ้าไปทเลาะรพระก็เสียฉะนั้นชาวบ้านอะ่ะบางคนจึงชอบทเลาะกับพระ บางทีทะ เ, เป็นอาชีพเลยก็มีดาษระเป็นอาชีพก็มีเนี่ยประเภทนี้เพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเราจะสังเกตได้ว่าแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นร้ายถึงขนาดว่านางสุนทรีซึ่งเป็นหญิงแพทย์สยามเริยถีใช้ให้ไปวัดเชตวันบ่อยๆและพยายามออกจากวัดเชตวันตอนเย็น ตอนเช้าเย็นเข้าวัดเช้าออกจากวัดไอ้เสแสแงทําเสมือนหนึ่งวันนานเนี่ยไปนอนค้างในวัดเสร็จแล้วไม่กี่วันนานสุนทรีถูกฆ่าเอาศพไปหมกไว้ในวัดเดี๋ยวถีก็ประโคมข่าวว่าเนี่ยสมณะโคดมต้องปรทุษรดายต่อนางสุนทรีอาจจะฆ่าเธอเพื่อปิดปากอาจจะฆ่าเธอเพื่อปิดเรื่องราว ทำไม่ดีม่งามต่างๆก็เป็นได้อย่างนี้ก็มีหรือวิะนั้นก็ถึงกับไปยืนหน้าธรรมาะเลยกำลังเทิดเพิอยู่ไปชี้หน้าเลยเนี่ยนี่นี่นายทำหนูท้อแล้วก็ไม่รับผิดชอบอย่างนี้เป็นยังไงบ้างอุบาสกอุบาสิกาก็ใจชักจะโดนเรเป็นทีแล้วพระพุทธเจ้ามียัยงไงกันอย่างนี้ก็มีหรือวิะนั้นก็รอกตรงผระชนทาอย่างนี้ไม่ได้ฆ่าทิ้งก็ต้องมี แต่ก็ราข้าไม่สำเร็จเดี๋ยวเราจะสังเกตได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอุปัตรคของพระพุทธศาสนามาแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์เพราะว่ารับฟังมากมายที่เป็นปฏิปัติต่อพระพุทธศาสนาหรือผลประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยไปขัดกับบุคคลอื่นเขาก็คิดทำลายคิดฆ่า ยิ่งในปัจจุบันนี้อันตรายของพระพุทธศาสนาเรามีรอบด้านฉะนั้นถ้าใครทำงานพุทธศาสนาแล้วต้องรู้เข้าทันว่าเราจะรับอันตรายอะไรบ้างต้องรู้ล่วงหน้าด้วก่อนบางทีอันตรายบางอย่างเราป้องกันไม่ได้เราอยู่ในฐานะที่ต้องยอมรับอยู่ในฐานะที่ต้องยอมรับยอมถูกโจมตี เหมือนกับช้างที่เข้าสงครามเนี่ยจะเลี่ยงจากลูกสอนที่ยิงมาทั่วทิศเลี้ยงไม่ได้หน้าที่ของช้างมีอย่างเดียวเท่านั้นคืออดทนเอาหน่อยแมนรูกสอนั้นจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ต้องอดทนเอางานศาสนาในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันงานไม่อย่างเนี่ยเราอาจจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์อาจจะถูกโจมตีอาจจะถูกทําลายหรืออาจจะถูกพูดก่อขวัให้เกิดความท้อแท้ใจแต่เราก็ต้องอดทนเอา เหมือนช้างที่เข้าสู่สงครามต้องทนต่อลูกศร น, นี่อันตรายบางอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าจำเป็นนักเกินว่าเราจะต้องพบกับอันตรายชิ้นนี้มน อ, อย่างเดียวเท่านั้นว่าต้องป่าฟันดังที่พระพุทธองค์เคยป่าฟันมาก่อนเพราะเราได้เรียนตัวัติศาส์มาแล้วเย่อมรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นมาจากไหนเราจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะป่าปันตัวปริศาเปล่านันได้ ในอดีตเป็นครูอสอนเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็อุปสรรคของพุทธศาสนาเนี่มากมายเหลือเกินสมัยพระพุทธองค์ประกาศพุทธศาสนาน่ะปร้ายยู่ว่าในสมัยนี้อีกสมัยนี้อันตรายบางอย่างยังเปิดเผยกันไม่เห็นบางทีเราก็ยังเห็นหน้าของกตรูว่าอ้อกตรูปรากฏให้เราเห็นแล้ว สมัยก่อนี่บางทีไม่เห็นหน้าศัตรูเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องอันตรายของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีมามากโดยตลอดการวางงานพระพุทธศาสนาแม้ด้านการปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์จึงปรับด้วยอย่างละเอียดเหลือเกินแม้จะจะทำสมาธิควรจะทํายังไงมีวิธีการอย่างไรที่จะ ก, ก่อจะไปเที่ยงสมาธิให้เกิดประโยชน์เนี่ยท่านชี้หมดว่าเราควรจะ ปฏิบัติอย่างไรก่อนควรจะไปยังไงควรจะไปยืนที่ตรงไหนและจะไปเพ่งกันยังไงจึงจะได้ประโยชน์ท่านสอนไม่โดยละเอียดเนี่ยงเพราะเหตุว่าอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้แหละที่เกิดขึ้นอันตรายที่เกิดขึ้นนี้เองจึงเป็นเหตุทําให้ได้รับคําสอนอันประนีชิญเนี่ยขึ้นมาก็นับว่าเป็นบุญของพวกเราอย่างหนึ่งเพราะถ้าหากว่าไม่มีอันตรายอย่างนี้แล้วเราก็ไม่รู้วิธีการ ที่จะป้องกันอันตรายหรือไม่รู้จักวิธีการที่บุคคลซึ่งเป็นศัตรูต่อศาสนานั้นได้ใช้วิธีการอะไรบ้างบางทีพุทธบริษัทเราเองก็อาจจะเรรวนหรือบางทีก็กลับกลายเป็นศัตรูขึ้นกันและกันแล้วศาสนาเราก็จะไปไม่รอดผลสุดท้ายก็ต้องเสื่อมสิ้นไปในที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นการศึกษา หลักพระพุทธศาสนาทั้งในด้านตามปฏิบัติแต่ทั่วไปเราจะได้รับความรู้หลายๆอย่างที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ต่อหน้าที่ที่เราจะพึงปฏิบัติต่ตอพระพุทธศาสนาเราก็รู้เท่าทันเพราะว่าอันตรายนั้นเกิดขึ้นจากไหนเรารู้สมุดฐานที่มาที่ไปสได้เราก็แก้ไขได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งนั้น ถ้าไม่มีเหตุแล้วมันก็เกิดไม่ได้แต่เหตุนั้นจะมาจากไหนเท่านั้นเองแล้วเราก็แก้ไขกันที่เหตุเหตุบางอย่างเราแก้ไขไม่ได้แต่เราก็ป้องกันที่ผลไม่ให้ปรากฏเกิดขึ้นอย่างนี้ต็งมีอย่างเช่นที่พระพุทธองค์ได้ทรงชนะต่ออุปสรรคเหล่านี้มาก่อนก็ได้ใช้วิธีการหลายอย่างที่เป็นพุทธวิธีซึ่งเราจะต้องศึกษาขันโดยละเอียดว่าพุทธวิธีแต่ละครั้งแต่ละอย่างนั้น ได้ทรงมีพุทธวิธีอย่างไรจึงได้สาฟันอุตส่าร์เหล่านี้ผ่านพ้นมาได้ซึ่งเราก็ต้องศึกษาทันโรนระดีฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้เป็นผลเนื่องมาจากอันตรายที่เกิดขึ้นดังกล่าวฉะนั้นจึงได้มุ่งสอนสาวกว่าแม้แต่เธอจะไปปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเป็นความดีแ ท, แท้แต่เธอก็ต้องรู้จักว่าอันตรายแห่งความดีนั้นมันก็มีเหมือนกัน เช่นอย่างการที่แจ้งให้พระเถระพระเดชทราบทก่อนว่าอะไรเป็นอะไรอย่างนี้เป็นการปรับความเข้าใจกันก่อนเพื่อพระเถระผู้มีศีลมีธรรมหรือผู้เป็นบัณฑิตนะท่านจะได้ช่วยคุ้มครองเราและพระเถระในสมัยนั้นถ้าเป็นบัณฑิตแล้วเมื่อพระท่านไปเจริญอสุภาษกรรมฐานใครจะมากล่าวหาว่าท่านเป็นผู้ก่อการรา้าหรือเป็นโจรผู้ร้ายเนี่ยก็กล่าวหาไม่ขึ้นเพราะว่าท่านได้บอกพระเถระที่ใหญ่แล้วแล้วก็ ได้ปฏิบัติปฏิบัติตามที่ท่านได้ให้ปริญญาต่อพระเถระแล้วถึงใครจะมากล่าววายท่านเป็นอย่างอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้พระเถระท่านก็ช่วยคุ้มครองให้นี่หมายถึงพระเถระที่ท่านมีคุณธรรมสูงท่านก็ช่วยคุ้มครองต่อพระสงฆ์ผู้กระพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยอานิสงส์ของการที่บอกกล่าวกันก่อนประชุมสงฆ์เม่ก่อนนั้นจึงมีอานิสงส์มากทีนีเน้เราได้ เราได้บอกพระสงฆ์เรียนให้พระเถระผู้ใหญ่ท่านได้ทราบแล้วว่าเราเนี่ยจะไปเจริญอสุภะกรรมาฐานแล้วปัญหาว่าวิธีไปเนี่ยเราจะไปกันอย่างไรวิธีไปถึงแม้เราจะย่างเท้าจากก้าวหนึ่งเพื่อที่จะไปสู่สถานที่ เรียนาคู่พระกรรมฐานเราก็ต้องกําหนดไว้ก่อนว่าเราจะออกประตูไหนดีเช่นประตูวัดเนี่ยมีอยู่หลายประตูจะออกด้านไหนดีแล้วก็ควรที่จะควรที่จะไปในเส้นทางไหนต้องดูเส้นทางที่จะไปด้วยคือพอกําหนดเสร็จแล้วว่าเราจะไปทางไหนดี เราก็ให้ไป